บทที่ห0เวนกรรมตามสนองวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2514ัท่านพระครูตื่นตั้งแต่ตีสเช่นเคยปฏิบัติกรรมฐานเป็นเวลาสองชั่วโมงแล้วจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวนท่านใดนั้นก็มีเสียงดังขึ้นที่ข้างหูวันนี้ใช้หนี้เต่าวันนี้ใช้หนี้เต่า เต่าไหนล่ะอาตมาไปเป็นนี่เต่าไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านถามในใจก็เต่าเจ็ดตัวที่ท่านรับจ้างเขาต้มไงล่ะจําไม่ได้แล้วหรือเสียงนั้นตอบทําไมจะจําไม่ได้ท่านจําได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวรที่เคยทําหรือกรรมที่เคยก่อแล้วก็เพียรพยายามสร้างความดีเพื่อชดใช้นี่กรรมเสียให้หมดหมด ก็กรรมที่ทำแล้วไม่ว่าดีหรือชั่วต้องชดใช้ทั้งนั้นราบใดที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสงสารสาครแม้พระอรหันต์ก็ยังต้องรับผลของกรรมดีกรรมชั่วที่เคยกระทำปณิธานเมื่อใดเมื่อนั้นกรรมทั้งปวงจึงจะเลิกให้ผลกลายเป็นอโหสิกรรมอาตมาไปรับจ้างต้มเตาตั้งแต่เมื่อไรท่านแกล่งถาม เพื่อจะทดสอบว่าเป็นเสียงเจ้ากรรมในเวรตัวจริงหรือว่าตัวปลอมกันแน่ไม่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงเตรียมตัวใช้นี่ก็แล้วกันใช้เท่าไรล่ะ25งหมื่นห้าพอไมอาตมามีแค่นั้นแล้วก็ฝากไว้ที่บ้านโยมถ้ายังไงก็จะไปเอามาให้ท่านหมายในใจยัว่วอย่ามาทําเป็นพูดมากอยู่เลย จะออกไปบินธบาทก็รีบรีบไปเสียวันนี้ท่านต้องรถความเพื่อใช้หนี้เต่าที่ท่านรับจ้างเขาต้มตอนอยู่มัธยมสามแสดงว่ารู้จริงงั้นก็บอกมาอีกทีซึ่งว่าเขาจ้างอัตมาเท่าไรบาทหนึ่งท่านเห็นชีวิตเต่าเจ็ดตัวมีราคาแค่บาทเดียวใจร้ายใจดำอมหิตลึกเกิน เสียงนั้นต่อว่าต่อขานแล้ววันนี้อาตมาต้องตายใช่ไหมท่านทดสอบอีกทีออกมั่นใจว่าคงไม่ถึงกับตายเพราะเต่าไม่ตายไม่ตายก็คงคางเหลืองแหละความจริงท่านมีเจตนาที่จะทำให้พวกเราตายแต่ท่านโชคดีที่พวกเราไม่ตายพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องใครโชคดีกันแน่ พวกท่านต่างหากที่โชคดีถ้าโชคร้ายก็ตายไปแล้วเสียงนั้นกลับย้อนว่าท่านน่ะแหละโชคดีเพราะถ้าพวกเราตายวันนี้ท่านต้องตายอย่างแน่นอนแต่เพราะพวกเรารอดชีวิตมาได้ท่านจึงแค่คางเหลืองเท่านั้นเอาละ่ะเราไม่อยากตอลาะตอเถียงกับท่านมาบอกแค่นี้แหละอย่าเพิ่งไปสิกําลังคุยสนุกทีเดียว ท่านบอกเจ้ากรรมนายเวยรเมื่อไม่มีเสียงตอบจึงรำพึงว่าไปซะแล้วเป็นอันว่าวันนี้เราต้องเจ็บตัวอีกดีเหมือนกันใช้ให้หมดหมดไปซะชาติหน้าเราจะได้ไม่ต้องเกิดอีกสมภารวัดป่ามะม่วงจัดการสงน้ำครองจีวร อ, อย่างเรียบร้อยแล้วจึงออกบินทบาทขณะเดินออกประตูวัดไป จใจก็คิดถึงเต่าเจ็ดตัวที่ท่านรับจ้างต้มเมื่อหลายสิบปีก่อนภาพของเต่าที่สามาคีกันดิ้นจนม้อแตกจากนั้นก็ตะเกียกตะกายหนีเข้าไปในกอบไผ่พวกมันหันกลับมามองท่านอย่างอาฆาตนาตร้ายใช้ขาหน้าทั้งสองปาดน้ําตาที่ไหลพรากๆลงมาอย่างไม่ขาดสายสำนวนโบราณที่ว่า ร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าเป็นอย่างไรท่านก็ได้เห็นประจักษ์ในครั้งนั้นการที่เต่าเจ็ดตัวมาทวงหนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับท่านอย่างน้อยก็ได้พิสูจน์ว่าเวรกรรมนั้นมีจริงภิกษุวัยใกล้4ี่คิดคำหนึ่งไปถึงพระพุทธวจนะที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมซึ่งท่านจำได้ไม่ลืม แต่บุคคลทำกรรมใดด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจกรรมนั่นแหละเป็นของเขาและเขาย่อมจะพาเอากำรรนั้นไปอนหนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาติดตามตนฉะนั้นถ้าท่านกลัวทุกข์ก็อย่าทำกรรมชั่วทั้งในที่ลับและที่แจ้งถ้าท่านจากทำหรือทำอยู่ซึ่งความชั่ว ถึงแม้จะเหาะหนีไปก็ย่อมไม่พ้นจากความทุกข์ได้เลยฉะนั้นบุคคลควรทำความดีสั่งสมที่จะเป็นประโยชน์ภายหน้าความดีทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ในปรโลกบ่ายสามโมงตรงในหลอก็มาถึงวัด ท่านพระครูนัดให้มารับไปเยี่ยมไข้นางโถที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีญาติโยมที่รู้จักนางโถไปขอไปด้วยอีกห้าหกคนและกำลังรออยู่ที่กุฏิชั้นล่างสิบนาทีให้หลังท่านพระครูก็ลงมานายหล่อรีบเข้าไปรับย่ามสีเขียวตับเป็ดจากมือท่านมาถือไว้ในลักษณะ ประคองญาติโยมที่รออยู่ก็พากันกราบท่านสามครั้งแล้วลุกขึ้นเตรียมพร้อมที่จะไปจะไปไหนกันล่ะโยมท่านทักทายแซงทำเป็นลืมที่ตกลงกับพวกเขาไว้เมื่อวันวาน ว, านว่าจะให้ไปเยี่ยมนางโถด้วยก็ไปเยี่ยมแม่โถกับท่านนะสิจะ๊ะนางแป้นสีกาไวห้าสิบเศษตอบ นั่งมากับสามีวัยเดียวกันไปไม่ได้เป็นผู้หญิงจะไปกับพระได้ยังไงมันน่าเกลียดใครไม่เห็นเข้าเขาจะเอาไปนินทาอย่าไปเลยนะท่านหาทางเลี่ยงอิชันไม่ได้ไปสองต่อสองนี่จ๊ะพวกบ้านอิชันเขาก็ไปด้วยนางชี้แจงใช่แล้วก็ไปกันตั้งหกคน ผู้หญิงสามผู้ชายสามไม่น่าเกลียดหรอกจ้ะหลวงพอ่อคราวนี้คนพูดอายุ75บหเป็นเพื่อนรักเพื่อนใครกับนางโถแต่อัตมาไม่ให้ใครไปทั้งนั้นเอาละถ้าอยากไปวันหลังค่อยว่ากันใหม่วันนี้อัตมาขอไปคนเดียวก่อนท่านสรุปไปวันนี้หละครับหลวงพอ่อพวกเราอุตส่าห์ตั้งใจมาแล้ว สามีนังแป้นพูดท่านพระครูแ่งทำเป็นโมโหโกรธาพูดเสียงดังว่าบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิพวกโยมฟังไม่รู้เรื่องหรือยังไงนี่อาตมาพูดภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษามอนแล้วบอกในหลอว่าไปกันเถอะบรรดาญาติโยมทั้งหกคนพากันฉฉนฉงายว่าเหตุใดท่านสมภารจึงต้องอารมณ์เสียใส่พวกเขา และไม่ยอมให้ไปด้วยก็เพิ่งตกลงกันเมื่อวานนี้เองดังนั้นเมื่อท่านเดินทางนำหน้าในหล่อไปที่รถสามีนางแป้นจึงแกล้งบ่นดังๆจงใจให้ท่านได้ยินว่าหลวงพ่อไม่รู้ไปฉันรังแตนที่ไหนมาโมโหกโกรธาแต่เช้าเลยงั้นพวกเรากลับบ้านกันเถอะท่านพระครูรู้สึกขำเมื่อได้ยินขำตรงที่โยมคนนั้นพูด ว่าท่านโมโหกโรธาแต่เช้าทั้งที่ขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงเศษแล้วท่านจำเป็นจะต้องทำเช่นนั้นเพราะไม่ต้องการให้พวกเขาต้องมาพลอยบาดเจ็บไปกับท่านด้วยหรือถ้าเกิดมีใครถึงกับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้บรรดาลูกหลานก็จะมาโทษท่านว่าพาพ่อแม่เข้าไปตายแต่สำหรับในหลอนั้นเขาเป็นทั้งสหธรร ม, มิกและสหกรร ม, มิก ของท่านก็คือเป็นทั้งเพื่อนร่วมทามและเพื่อนร่วมกรรมจึงต้องพอชนภัยด้วยกันอีกถ้าทิ้งอย่างไรในหล่อก็ไม่ถึงกับตายขนาดรถตกไปในเหวที่แม่สอดเขายังรอดชีวิตมาได้นี่นาทำไมหลวงพ่อไม่ให้พวกนั้นไปด้วยล่ะครับก็ไหนก็บอกว่านัดกับหลวงพ่อเรียบร้อยแล้ว ในหลอถามขึ้นเมื่อรถเคลื่อนออกจากวัดขณะนั้นเวลาบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีขากลับเองจะรู้เองแล้วว่าทำไมท่านพูดเป็นปริศนาผมอยากรู้ตอนขาไปนี่แหละหลวงพ่อกรุณาบอกด้วยถิครับในหลอต่อลองไม่มีทางเมินสชาติหนึ่งท่านปฏิเสธด้วยสำนวนที่เคยคุ้น ตั้งชาติหนึ่งไม่นานไปหน่อยหรอครับผู้เป็นสหธรรมิกรเริ่มยั่วไม่นานเมื่อเทียบกับวัฏจักรชีวิตของแต่ละคนซึ่งต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติหน้าเบื่อดนะครับการเกิดเนี่ยผมไม่อยากเกิดอีกเลยแม้แต่ชาติเดียวถ้าไม่อยากเกิดก็ต้องขยันทำกรรมฐาน ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดยังจะสาเร็จสมความมุ่งหมายดังที่พระพุทธองค์สอนไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรเสด็จพ่อของพวกเราทรงเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกทรงกระทาความเพียรกระทั่งทรงหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงและด้วยพระมหากรุณาคุณ พระองค์ทรงสั่งสอนเวนายนิกกรให้หลุดพ้นตามพวกเรานับว่าโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดได้กันง่ายๆดังมีพุทธพจน์ตรัสเตือนไว้ว่ากิจโฉมนุษยสัปปติลาโภแล้วเกิดเป็นเทวดาง่ายไหมครับคนกําลังขับรถถามคงไม่อยากมั้ง เพราะพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงกล่าวไว้ว่ายากและหลวงพ่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์กับเกิดเป็นเทวดาอย่างไหนจะดีกว่ากันครับเขาถามอีกถ้าถามข้าข้าก็ต้องตอบว่าเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเพราะมีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีมากกว่าเกิดเป็นเทวดามีแต่ความสุขสบายทำให้ตั้งอยู่ในความประมาทในคำพีมีกล่าวไว้ว่า พวกมนุษย์อยากจะไปเกิดเป็นเทวดาส่วนพวกเทวดากลับอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เธอเคยสังเกตไหมเวลาที่คนตายพวกญาติญาติก็จะอว ย, ยใจไห่พรว่าให้ได้ขึ้นสวรรค์ส่วนพวกเทวดาเวลาจะจุติเพื่อนเทวดาก็จะอวยพรว่าขอให้อุบัติยังโลกมนุษย์ลากลายเป็นว่าสุขติของชาวสวรรค์ก็คือโลกมนุษย์ส่วนสุขติของชาวมนุษย์ก็คือโลกสวรรค์ หลวงพ่อครับทำไมหลวงพ่อไม่อนุญาตให้ญาติโยมเข้ามาด้วยล่ะครับในเมื่อตกปากรับคำกับเข้าไปแล้วแบบนี้ไม่เข้าขายมุสาวาเหรอครับนายหลอย้อนกลับมาถามเรื่องที่ยังค้างคาใจอยู่ไม่เข้าขายรอกเพราะอยู่ที่เจตนา ข้ามีเจตนาที่เป็นกุศลไม่อยากให้พวกเขามาลำบากด้วยลำบากลำบนอะไรกันก็แค่นั่งรถไม่กี่ชั่วโมงผมว่าพวกเขาจะดีใจเสียอีกที่ไดมานั่งรถเล่นเอาเถอะเย็นนี้พวกเขาก็จะเข้าใจว่าทำไมข้าถึงไม่ให้เขามาด้วยเองก็จะเข้าใจเข้าใจแจมแจ้งแดงแจชโชละท่านยำ้ำ ผมอยากเข้าใจเดี๋ยวนี้มากกว่าจะรอถึงเย็นนี้นะครับแต่ข้าบอกเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องรอตอนเย็นแล้วเองจะรู้เองโดยที่ข้าไม่ต้องบอกท่านไม่ต้องการให้ในายหลอรู้เขาต้องไม่รู้เพราะถ้ารู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถควม่มเขาก็จะขับอย่างระมัดระวังและไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อไม่ประมาท ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อรถไม่คว่ำท่านก็จะไม่ได้ใช้หนี้เต่าเมื่อไม่ได้ใช้หนี้เต่าเจ้ากรรมในเวรก็จะกลับมาเล่นงานท่านอีกมันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่อย่างนี้ท่านจึงไม่สามารถจะบอกในหลอได้และถ้าเขาจะมาต่อว่าต่อขานในภายหลังท่านก็จะบอกว่าเป็นการใช้หนี้กันเมื่อก่อนโน้น เขาพาท่านไปเจ็บหัวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดคราวนี้ท่านก็เลยพาเข้ามาเจ็บตัวบ้างจะได้หายกันไปนายหล่อใช้เวลาขับรถ45นาทีและถึงโรงพยาบาลเมื่อเวลา4โมง10นาทีก่อนลงจากรถท่านพระครูบอกเขาว่าเราจะใช้เวลาเยี่ยมเพียง15นาทีเองคอยดูนาฬิกาไว้นะ รบสิหนาทีเตรียมตัวกลับได้ทำไมต้องรีบกลับละครับน่าจะอยู่สักสาสนาทีเป็นอย่างน้อยไหนๆก็อุตส่าห์มาแล้วนายหล่อทักท้วงเอาเถอะแล้วเองก็จะรู้เองว่าทำไมถึงต้องรีบหลวงพ่อครับวันนี้หลวงพ่อพูดอะไรเป็นปริศนาหลายอย่างหลายประการผมรู้สึก ง, งงไปหมดแล้วเมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอย่างนี้ เกิดอะไรขึ้นเลระครับสามีแม่ปรโยคสงสัยนักเดี๋ยวเองก็รู้เองว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอย่าลืมก็แล้วกันนะเยี่ยมแค่สิบ้านาทีเท่านั้นท่านรู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น เมื่อเวลาสิบเจ็นาฬิกาตรงเพราะฉะนั้นถ้าท่านออกจากโรงพยาบาลช้ากว่า16นาฬิกา25นาทีรถจะไปคว่ำไกลาจากวัดป่ามะม่วงมากแต่ถ้าออกตามเวลาที่ท่านกาหนดรถจะคว่มไม่ไกลาจากวัดนักเขาจะได้นําท่านกลับวัดได้สะดวกเพราะถึงอย่างไรท่านก็จะไม่ยอมไปโรงพยาบาลเป็นอันขาด นางโถดีใจนักที่ท่านพระครูมาเยี่ยมแม้ภิกษุรูปนี้จะอายุคลาวลูกหากนางก็เคารพนับถือและกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจด้วยว่าท่านเป็นบุคคลผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมยากที่จะหาผู้ใดมาเทียบเทียมได้ขอบคุณท่านสมภารเหลือเกินที่อุตส่าห์มาเยี่ยมอีกชั้นนางลุกขึ้นนั่งทั้งที่เจ็บแผล ที่ท้องน้อยอันเกิดจากการผ่าตัดคนชอบกันถ้าไม่มาเยี่ยมก็ดูใจเจือใจดำไปหน่อยละ่ะโยมป่วยเป็นอะไรละ่ะถึงได้เข้าโรงพยาบาลอิฉันปวดท้องจ้ะปวดมาจนแทบทนไม่ไหวลูกๆเขาก็เลยจ้างรถมาส่งที่โรงพยาบาลหมอเขากรวดแล้วบอกว่าไส้ติ่งอักเสบต้องตัดออกนางเล่ากรวว ก็คือตรวจแล้วนี่เอาออกหรือยังละ่ะเอาออกแล้วจ่ายังเจ็บแผลอยู่เลยอิชันนึกขอบคุณท่านสมภารที่ให้วิชาดีทำให้อดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ทรมานได้อิชันต้องกำหนดปวดหนอเจ็บหนอเกือบทั้งวันถ้าไม่ได้วิชานี้เห็นใจแย่แน่แน่ ท่านสมภารทำให้อีชั้นรู้สึกว่าชีวิตมีค่ายิ่งขึ้นแต่ก่อนนี้อีชันรู้จักบุญแขวันพระวันโกนก็เอาข้าวใส่ขันแกงโถไปตักบาทททำบุญที่วัดแต่พอรู้จักท่านสมภารอีชันก็รู้จักวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาคนไข้ไวัยเจ็ดสิบพูดจ้อยจ้อย อาตมาเพียงทำหน้าที่ของพระแท้พระแท้จะต้องเป็นผู้ให้ด้วยมิใช่แค่แต่รับจากญาติโยมฝ่ายเดียวอย่างอาตมาเนี่ยให้ทั้งอมิสทานและก็ธรรมทานอมิสทานก็คือการให้สิ่งของญาติโยมที่อดอยากไม่มีข้าวหุงกินมาขอเข้าสารที่วัดอาตมาก็ปันให้ไปพริกหอมกระเทียมก็ให้ไม่เคยห่วง ส่วนธรรมทานคือการให้ความรู้และแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นสอนกรรมฐานให้ญาติโยมนี่ก็จัดเป็นธรรมทานอมิสทานช่วยค้ำจุนชีวิตทำให้เขามีที่พึ่งที่อาศัยแต่ธรรมทานช่วยให้เขารู้จักพึ่งตนเองได้ต่อไปทานทั้งสองเนี่ยเป็นธรรมทานเป็นเลิศแม้ยิชัฉันอยากให้พระทุกองค์ในประเทศไทยเป็นอย่างท่านสมพาน ญาติยโยมจะได้เกิดปัญญาตาสว่างกันพระเดี๋ยวนี้สอนแต่ให้ทุกคนทำบุญทำบุญแต่ไม่ได้สอนให้เขาเกิดปัญญาอิจัาโชคดีที่มาเจอท่านไม่เช่นนั้นก็ยังไม่รู้ไปขังเนื้อข้างใต้อัตมาโชคดีที่ได้มาเจอโยมไม่ลืมหรอกที่โยมเคยให้ข้าวให้น้ำอัตมาเป็นคนต่างบ้าน มาสร้างความเจริญให้กับวัดนี้บางคนเขาก็ไม่เข้าใจหาว่าอาตมามักใหญ่ไ่สูงเที่ยวเอาไปเพชรทูลพระผู้ใหญ่หวังจะให้อาตมาเสียชื่ออิชันก็ได้ยินได้ฟังมาเต็มสองหูถ้าไม่รู้จักท่านสมพานดีกับคงเชื่อตามที่เขาว่าไปแล้วคนเราก็อย่างนี้ละท่านทำดีคนชั่วเขม่น ทำชั่วคนดีก็ติชินอิฉันว่าให้คนชั่วเขมเมนดีกว่าให้คนดีติชินจริงไ้ยจ้ะอัตมาไม่สนใจหรอกโยมใครก็จะว่ายังไงก็ช่างมัวไปฟังคนอื่นก็คงไม่ต้องทำอะไรกันดีหรือชั่วก็อยู่ที่ตัวของเราเราทำดีใครเขาก็ว่าชั่วยังไงก็ไม่ชั่วไปได้หรือว่าเราเป็นคนชั่วใครก็ว่าดี ยังไงมันก็ไม่ดีไปได้ใช่วัจจีดีจะชั่วไปตามปากคนเขาเมื่อไรจริงของท่านจะ้ะอิชันถึงได้ห่วงเหลือเกินห่วงว่าคนพวกนั้นจะตกนรกเพราะนินทาว่าร้ายท่านถ้าท่านไม่ดีจริงพวกฝลังมั่งค่าคงไม่มานับถือหรืออิฉันอยากจะว่าพวกคนบ้านเราเนี่ยใกล้เกลือกินด่าง ยางนาสงสารจริงๆนั่งโถคุยเพลินจนลืมเจ็บแผลข้างฝ่ายในรอได้แต่นั่งฟังเพราะคอยจ้องจับเวลาไม่ให้เกินส5้านาทีเขาอยากรู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอา้าวนี่โยไม่มีคนเฝ้าห ร, อหรือเห็นนอนอยู่คนเดียวมีจากหลานเข้ามานอนเฝ้าตอนนี้กลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ประเดี๋ยวก็คงจะมาแล้วลูกลูกลับไปไหนกันหมดนึกตําหนิลูกลูกของนางที่ทิ้งขว้างบุพการีเพ่งกลับไปก่อนหน้าทันจะมาถึงนิดเดียวเองจะอ้ะอ๋องั้นหรืออาตมานึกว่าเขาพากันทอดทิ้งโยมถ้าเป็นอย่างนั้นล้วก็แย่หน่อยนะอาตมาไม่ชอบคนไม่กระตัญยูเขากระตันยูกันทุกคนละจะ้า พระอิชันสอนเสมอๆว่าคนที่ไม่กระตันยูททำมาหากินไม่ขึ้นท่านสมพานสอนอิชันไว้ยอย่างนี้ขณะนั้นก็เป็นเวลา16นาฬิกาย5หนาทีในหลอจึงพูดขึ้นว่าได้เวลากลับแล้วครับหลวงพ่อท่านพระครูก็ล้วงลงไปในย่ามหยิบซองสีขาวบรรจุเงิน200บาทยื่นให้นางโถ เอาไว้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนะท่านวางซองไว้ที่ขอบเตียงท่านเก็บเอาไว้เถอจ้าเท่าทีมาเยี่ยมก็เป็นพระคุณลนเหลือแล้วอิชันไม่อยากรบกวนโยมเก็บไว้เถอะอาตมาต้องไปเดี๋ยวนี้และขอให้หายเร็วๆนะท่านรำลาแล้วก็รีบเดินออกไปนางโถค่อนข้างงงจึงพูดคนเดียวว่า ท่านสมพานี่มีอะไรแปลกๆนั่งคุยอยู่ดีๆบทจะไปก็ไปปุ๊บปั๊บเลยดูถาทางท่านรีบร้อนยังไงพี่กนสาธุขอให้ท่านกลับถึงวัดอย่างปลอดภัยเถิดเจ้าประคูณเข้ามานั่งในรถเรียบร้อยท่านพระครูพูดกับนายหล่อว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเอ็งช่วยดูแลย่ามข่าวไว้ให้ดีนะ ในนั้นมีของสองสิ่งที่ข้าเก็บรักษามานานอะไรเหรอครับทำไมหลวงพ่อพูดแปลกๆในหลอรู้สึกใจคอไม่ดีพระสมเด็จสององค์กับลูกประคำก้า9สีอีกหนึ่งเส้นของเนี่ยสมเด็จโตท่านให้หลวงปู่นาควัดละคังหลวงปู่นาคให้ข้ามาอีกทีหนึง่งและหลวงพ่อจะเก็บไว้ให้ใครครับในหลอถาม อยากให้ท่านตอบว่าเก็บให้เองเพราะเขาเป็นลูกศิษย์ก้นกุติเก็บเอาไว้ให้เจ้าของเขาท่านตอบในหล่อออกผิดหวังแต่แล้วก็คิดหม่ว่าไม่แน่นะเจ้าของที่ท่านว่าอาจจะเป็นเราก็ได้